3. โคธาสกสุลว่าด้วยเจ้าสกยาพระนามว่าโคทาหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงกบิลพัครั้งนั้นเจ้าสกยะพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปหาเจ้าสกยพระนามว่าโคทาถึงที่ประทับแล้วได้ตรัสถามเจ้าสกยพระนามว่าโคทานั้นดังนี้ว่า โคทาพระองค์ทรงทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรว่าเป็นพระโสดาบานันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเนียกสมโพธิในวันข้างหน้าเจ้าโคทาสกยะตรัสตอบว่ามหานามะหม่อมชั่นทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการว่าเป็นพระโสดาบานันไม่มีทางตกตาม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 หม่อมชันทราบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสามประการนี้ว่าเป็นพระโสดาบานันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้ามหานามะส่วนพระองค์ทรงราบุคคลผู้ประกอบด้วยทมเท่าไรว่าเป็นพระโสดาบานันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้า โคทาหม่อมชั้นทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการว่าเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสําเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าโคทาหม่อมชั้นทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการว่าเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสําเร็จสมโพธิ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 เจ้ามหานามะสักยะและเจ้าโคทาสักยะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วประทับนั่งณที่สมควรเจ้ามหานามะสักยะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอประธานว่าโรกาธ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 เป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อข้าพระองค์ตอบอย่างนี้แล้วเจ้าโคทาสักยะได้ตรัสว่าช้าก่อนมหานามช้าก่อนมหานามพระผู้มีพระภาคเท่านั้น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 เป็นผู้เลื่อมสายอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในพระธรรมวิไ น, นัยนี้โดยฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายพระผู้มีพระภาคอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ข้าพระองค์เป็นฝ่ายพระผู้มีพระภาคเท่านั้นขอพระผู้มีพระภาคทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นผู้เลื่อมสายอย่างนี้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 แต่พระองค์ผู้จเจริญเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในพระธรรมวินัยนี้โดยฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายพระผู้มีพระภาคอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายภิกษุสงฆ์ภิกษุนีสสงอุบาสกอุบาสิกาชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกปรมาโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะปราหมณ์เทวดาและมนุษย์ ข้าพระองค์เป็นฝ่ายพระผู้มีพระภาคเท่านั้นขอพระผู้มีพระภาคทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นผู้เลื่อมสายอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสกับเจ้าโคทาว่ามหาบ่อพิธพระองค์จะตรัสอะไรกับเจ้ามหานามสักยะผู้มีวาทะอย่างนี้เจ้าโคทาสักยะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่ได้กล่าวอะไรอะไรกับเจ้ามหานามะสกยะผู้มีวาทะอย่างนี้เลยนอกจากกาลยานธรรมนอกจากกุศลธรรม